ตอนที่สอง้อสงสัยในตัวหลีหวานหลีหวานเห็นว่าเขาลำบากใจจริงจจึงคุ้นคิดครู่หนึ่งสัก5 0าร้อยถึงหนึ่งพันหยวนแล้วกันดูว่าในมือคุณมีเงินเท่าไหร่ก็ได้ทั้งนั้นงั้นก็หนึ่งพันหยวนเหวินโม่ตั้งใจจะให้มากหน่อยแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้พกเงินติดตัวมามากขนาดนี้ไว้ฉันจะเอามาให้ทีหลังนะจะเอามาให้ฉันทาไมคุณก็เอาไปให้เธอโดยตรงเลยไม่ดีกว่าเหรอ หลิวหวานมองเขาแล้วรู้สึกคำขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ยังต้องให้เธอเป็นคนเดินเรื่องให้อีกหรือช่วงนี้เธอกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมงานแต่งงานไม่มีเวลามาจัดการเรื่องของพวกเขาหรอกถ้าฉันให้เธอโดยตรงเธอต้องไม่รับแน่ๆ แ, แต่ถ้าคุณเป็นคนให้มันจะไม่เหมือนกันเหวินโ ม, ขโม่ขมวดคิ้วแน่นพูดตามตรงว่าราคาของเสื้อโค้ตตัวนี้ไม่ถูกเลยจริงๆเขาทำงานมานานขนาดนี้ยังหาเงินเดือนได้ไม่ถึงหนึ่พันหยวนเลยถึงเวลาคงต้องขอยืมจากที่บ้าน ช่องว่างระหว่างระดับการใช้จ่ายของเขากับหยวนเหย็นเย็นนั้นห่างกันเกินไปทําให้ยากที่จะอยู่ด้วยกันได้ตกลงถึงเวลาคุณค่อยเอามาให้ฉันแล้วกันลีหวานพูดพลางเหลือบมองเวลาที่นาฬิกาข้อมือฉันไม่คุยกับคุณแล้วในเย็นนี้ฉันต้องไปกินข้าวที่บ้านกับเส้าเหิงถ้าช้ากว่านี้จะไปไม่ทันมีอะไรไว้ค่อยคุยกันวันหลังไปเถอะฉันไม่กวนคุณแล้วหลังจากลีหวานจากไปเหวนโมก็ฮิ้วเสื้อโค้ตกลับบ้านด้วยความกังวลใจเสื้อโค้ตตัวละหนึ่งพันหยวนเขาแทบไม่กล้าใส่เลยจริงๆ ฐานะทางครอบครัวของเขาถือว่าดีมากก็จริงแต่ก็ยังเทียบกับตระกูลหยวนไม่ได้ในบ้านตระกูลหยวนจุดประสงค์หลักที่หลีหวันมาในครั้งนี้คือการมาฟังรายละเอียดเรื่องงานแต่งงานและดูว่ายังมีข้อกําหนดอื่นๆ อ, อ, อีกหรือไม่เดิมทีหลีหวันก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นักเธอไม่มีความเห็นอะไรให้พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเป็นคนตัดสินใจก็พอที่สบายจู่ๆหยวนเย็ยนเย็ยนก็พลงเรียกขึ้นมาหลีหวนันหันไปมองเธอด้วยความประหลาดใจ มีอะไรเหรอหยวนเย็ยนเย็ยนไม่พูดอะไรเพียงแต่มองหลีหวันด้วยสายตาที่ซับซ้อนลังเลอยู่หลายครั้งไม่มีอะไรครับพี่จะทานแอปเปิลไหมครั้งนี้คุณแม่ซื้อแอปเปิลมาอร่อยมากเลยไม่ทานแล้วจะเมื่อกี้ทานมื้อเย็นไปเยอะหน่อยหลีหวันยิ้มตอบแม่หยวนจึงพูดเรื่องงานแต่งงานต่อตอนนี้ญาติสนิทมิตรสหายของทั้งสองฝ่ายได้รับการติดต่อเกือบครบแล้วแม้วันแต่งงานจะค่อนข้างกระชั้นชิดแต่ก็จะไม่ยอมให้หลีหวันต้องน้อยหน้าแน่นอน หยวนเศร้าเหิงลงมาจากห้องหนังสือชั้นบนเขาเห็นว่าได้เวลาพอสมควรแล้วจึงเตรียมตัวไปส่งหลีหวานที่บ้านตอนนี้ก็ดึกมากแล้วหรือว่าจะค้างที่บ้านเลยดีไหมหยวนไฟเดินตามเศร้าเหิงลงมาติดติดเขาไม่ได้คิดอะไรมากอีกไม่นานก็จะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วการค้างที่บ้านสักคืนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรพ่อครับตอนนี้ยังไม่ดึกเท่าไหร่ผมไปส่งเธอดีกว่าหยวนเศร้าเหิงยืนกรานคนอื่นจึงไม่พูดอะไรอีก อ, อกได้ดิงั้นเดินทางระวังด้วยนะขับรถดีๆรับทราบครับ ยวนเย็นเยงกมัดแน่นอยู่ข้างกายไม่ว่าเธอจะมองหลีหวานอย่างไรก็ดูไม่เหมือนคนประเภทที่เซียวเมียว อ, อวินพูดถึงเลยสักนิดช่างเถอะเธอจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วกั น, ยนเย็นเย็นทำไมคืนนี้ลูกดูท่าทางไม่ปกติเลยละ่ะแม่หยวนสังเกตเห็นว่าคืนนี้ลูกสาวดูไม่ค่อยมีความสุขทั้งที่บ้านกําลังจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาแต่เธอกลับทําหน้าบึง้งตึงทั้งคืนหยวนเย็นเย็นตอบอย่างไม่ใส่ใจแม่ขนูไม่เป็นไรคะ่ะพ่อว่าแบบนี้ก็ดีแล้วอย่างน้อยก็รู้จักเชื่อฟังอยู่ติดบ้านบ้าง ยวนเฟยเหลือบมองเธอก่อนจะส่งสัญญาณให้แม่ยวนขึ้นไปพักผ่อนพ่อกับแม่ไปนอนก่อนนะลูกก็รีพักผ่อนและยะมั่วตะนอนดึกค่ะยวนเย็นเย็นคันรับอย่างเหมอรลอยหลังจากยวนเฟยและคนอื่นๆขึ้นข้างบนไปแล้วเธอก็กลับเข้าห้องด้วยความว้าวุ่นใจยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกหมุดหนิดทางด้านนี้ลิวอันมองออกไปที่ถนนอันมืดมิดด้านนอกแล้วจู่จูก็เอ่ยขึ้นฉันรู้สึกว่ายวนเยนเย็นดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความสุขนเดิมทีเธอก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องแต่งงานของเราสองคนอยู่แล้วเธอ เธอจะไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรล่ะที่คืนนี้เธอไม่มีความสุขสิ้ทั้งเก้าส่วนคงเกี่ยวกับเหยวนโมไม่เกี่ยวกับคุณหรอกไม่ต้องกังวลไปหยวนเศร้าเหิงกล่าวตรงๆอีกอย่างหลังจากนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเราสองคนจะย้ายออกมาอยู่กันเองปกติก็ใช่ว่าจะได้เจอกันบ่อยๆถ้าเธอพูดอะไรให้คุณโกรธไว้ผมจะช่วยสั่งสอนเธอให้เองคำพูดของหยวนเศร้าเหิงหมายความว่าเขาจะยืนอยู่ข้างหลีหวานอย่างไร้เงื่อนไขหลีหวานไม่ได้ต้องการให้เขาเลือกข้างเพียงแต่เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างดูไม่ค่อยชอบมาพากล ช่างเธอตอนนี้ฉันพูด ก, กับคุณไปก็คงอธิบายไม่ถูกเอาเป็นว่าคุณต้องคอยจับตาดูเธอให้ดีอย่าให้เธอทำเรื่องโง่ๆลงไปเด็ดขาดเรื่องนี้คุณไม่ต้องบอกหรอกพ่อกับแม่ผมก็จัดคนคอยจับตาดูเธออยู่แล้วน้องสาวคนนี้ของผมไม่ใช่คนที่จะทำให้สบายใจได้เลยแน่นอนว่าต้องเปลืองแรงจัดการหน่อยหยวนเศร้าเฮิงถอนหายใจทั้งที่ดีหวนโมไม่ควรตกลงคบกับเธอถ้าเขามาเป็นน้องเคยผมผมก็ไม่รู้จะวางตัวกับเขายังไงเหมือนกัน เรื่องของความรู้สึกใครจะไปกําหนดได้ระปรับใดที่คนสองคนมีใจตรงกันและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันได้ดีคนอื่นจะพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์หลีหวันกล่าวย้นเศร้าเหงิงจึงยกมือขึ้นกุ ม, มือเธอแล้วบีบเบาๆใช่ครับคนอื่นจะพูดอะไรก็ไม่สําคัญขับรถดีๆเถอคะค่ะเมื่อใกล้วันแต่งงานโรงพยาบาลที่หลีหวันทํางานอยู่ก็เริ่มยุ่งวุ่นวายขึ้นเธอมีวิชาแพทย์ที่สูงส่งจนมีคนแค้จํานวนมากเดินทางมาหาเพราะชื่อเสียงของเธอโดยเฉพาะตําแหน่งศิทธิสายตรงของเซี่ยเหล่าที่การันตีอยู่ทําให้ไม่มีใครไม่เลื่อมใส หลหวานรักษาโดยใช้เงินน้อยแต่ระยะเวลาการฟื้นตัวกลับรวดเร็วแน่นอนว่าคนที่ส่วนใหญ่ที่มาหามักจะเป็นโรคที่รักษายากแม้แต่เวนโมเองหากมีคนไข้ที่เขาไม่มั่นใจในอาการเขาก็มักจะส่งต่อมาให้หลิหวานเวนโมมาหาเธอก็เพื่อต้องการจะเรียนรู้ด้วยหลังจากลิวานตรวจคนไข้เสร็จและกำลังจะเรียกคนไข้รายต่อไปเวนโมก็เดินเข้ามาในห้องตรวจมีอะไรหรอคะเธอนึกว่าจะมีปัญหาอะไรอี ไม่มีอะไรครับผมไม่ได้มาหาคุณเพื่อปรึกษาเรื่องคนเที่รอกวันนี้เหวนโม่ไม่ได้เข้าเวนช่วงวันก่อนๆผมรู้สึกอ่อนเพลียไปทั้งตัวทําอะไรก็ไม่ค่อยมีกรจิกกระจายแถมตอนทำงานยังชอบเหมื่อยลอยบ่อยๆคุณช่วยตรวจดูหน่อยสิว่าเป็นพราะอะไรหรือว่าหลังผ่าตัดแล้วร่างกายยังฟื้นฟูไม่ดีคุณมีเรื่องอะไรจะหาฉันเป็นการส่วนตัวก็ได้นี่นาทําไมต้องมาลงทะเบียนตรวจด้วยมันเป็นการสิ้นเปลืองโค้ต้าคนแค่ชัดๆเราต้องแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ชัดเจนครับ เวนโม่พูดติดตลกพลางส่งข้อมือให้หลีหวานตรวจชีพจรน้ำเสียงของหลีหวานเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขึ้นมาทันทีเธอขมวดคิ้วแน่นนอกจากอาการพวกนี้แล้วคุณยังมีอาการไม่สบายตรงไหนอีกไหมไม่มีแล้วครับถ้าจะมีก็คงเป็นตอนกลางคืนที่นอนไม่ค่อยหลับสมาธิสั้นลงหัวใจไม่มีอาการผิดปกติอะไรผมเลยสงสัยว่าจะเป็นผลข้างเคียงที่หลงเหลือจากการผ่าตัดหรือเปล่าช่วงผ่าตัดมีการใช้ยาสลบยาสลบอาจจะไปทําลายประสาทส่วนสมองหรือเปล่า ไม่เกี่ยวกับหัวใจของคุณเลยเป็นเพราะช่วงนี้คุณพักผ่อนไม่เพียงพอต่างหากคุณควรจะผ่อนคลายจิตใ จ, ใจบ้างตัวคุณเองก็เป็นคนที่คนหนึ่งจะทํางานหนักเกินไปไม่ได้ต้องพักผ่อนให้เหมาะสมหลี่หวานกําชับถ้าคุณยังไม่สบายใจก็คงต้องไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดดูแล้วค่อยมาดูผลตรวจกันอีกทีว่าเป็นยังไงไม่ต้องรอกครับผมเชื่อใจคุณ